วานในวันที่สิบทองได้หนึ่งบาทสี่เก้ตาตงไม่เป็นไร7 <laughs> บาทครับผมเอะเบาทครับผม็ดบาทหรือเนี่ยครับผมออเจ็ดบาทวานี้ทองคำได้เจ็ดบาทสี่สเก้าตงดอนล่าได้เก้าหืออะไร 91ดาสิบเอ็ดดอนเฉลยวันดราได้91้าสิ็ดอนอที่อ่านนั้นลเลยขี้เกียจอ่านก็มีเท่านั้นแหละที่เยอะหม้อคำทางหลวงก็พูดแล้วนี่พูดทุกวันทุกวันวันนี้เว้นบ้างล่ะขี้เกียจพูดรวมได้จะที่ว่าได้ทองคำ ได้ทองคำที่ได้แล้วเวลานี้ที่หลอมียบร้อยแล้วนั้นสองพันหกหกิบท่ไหลหกี่ิบสองกิโลครึ่งมีทองคำที่หลอมอยูร้อยแล้วได้สองพันหกิบสองกิโลครึ่ง <c oughs> ได้เพิ่มอีกสามที่แปดกิโลสามที่สามบาทหกที่เบ็ดต่างรวมแล้วได้ทองคำทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งกิโล ที่นี่ยังขาดท้องคํำอีกหนึ่งพันแปดร้อยเก้าิเก้ากิโลจะครบจนน 4, นนํานวนสะี่พันกิโลส่วนดอลล่าเนี่ยไม่นับมันขาดอยู่ทุกวันไ อ, ดนอน้นนไอดนอลล่านี่ไอ้ดอลล่าล้านนี่นับกันมาไม่ช้าบรรนานเท่าไหร่มันก็ขาดอยู่นี่เดียวนี่ก็ขาดอยู่ตั้งห้าหมื่นหกพันห้าหมืนหกพันสี่เปบาทนี่มันขาดอยู่ตลอดแล้วขี้เกียจอ่านมันโกหกจะของเองละ โกหกคนอื่นด้วยคือแล้วแล้แลยังไม่ได้นับบัญชี น, นานนับทีหนึ่งบัญชีตายตัวบัญชีมันมีอยสองแห่งอยู่ืมั น, นเวที่่คอยได้นนัับ <c oughs> บญชีดอรอยู่ที่กรุงเทพแห่งหนึ่งถ้าอยู่ถ้าอยู่ทั้งนี้ก็เข้าอุดรหมดถ้าได้ที่กรุงเทพก็เข้าที่กรุงเทพหมดในเวลาจะนับแต่ละครัง้งต้องเอา บัญชีสองรุ่นมาทั้งกับบัญชีอันนี้ว่าบวกกันถึงจะนับออกมาเป็นเลขตายตัวทิ้งอันนี้ก็ตทั่งเดิกลับมาจากกรุงเทพมันขาดอยู่ห้าหมื่นหกหมื่นอยู่งั้นตลอดเพราะเราไม่ได้อ่านมิได้อ่านอ่านก็นเหมือนมาหลอกกันเล่นเราไม่ขี้เกียจอ่านมนาะนี่ก็ขาดอยู่ห้าหมืนของเล่นเมื่อไหร่ <c oughs> นี่อะไรอีกเนี่ยอ่านเงเียบๆจะขาด <c oughs> <c oughs> อ่านเงเียบๆองเดียร์จะขาด <Yeah. c oughs> <c oughs> ว้า น, นี้ไม่ใช่ของเล่นนะนี่ดี ๆ, ๆอันนี้มันก็นมาเยียมเยียเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็มาเยียเียนี่ยอันนี้ก็มาเยียมเียเนี่ยเป็ น, น, น, อ, น, นอะไรเนี่ยแบบที่หนึ่งข อ, องขอบวนข้าว ป, ป่าแล้วเอาติดเลยนะดูใจติดติดเลยไม่อ่านก็ไม่อ่านละคืออ่านเยียเีาาย่ยก่านเียเีย สองร้อยี่ิบลล่าครับสองสี่ิดอลล่าครับนี่สองสี่สิบดานเรนั่นมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะเดียเวลาอ่านก็ขาดห้าหมืนอยู่เศ่าเาขาดอยู่อย่นั้นเราเลยขบขันเลยไม่อยากอ่านฮะ อะไรเอเรราเราคิดามันพอแล้วล่ะพอล้านก็ยังไงเราไม่ได้เอาเพียงล้านเียเรานับในย่านนี้จำนวนหนึ่งล้านางั้นเราบวกเข้าก็จะให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านม่ส0งอดอลลาร์เหรอไม่องอยดอลลาร์ครับเออนี่มสองร้อยดอลล์สองร้อยดอลล์เนี่ยไม่เหอนกัน เขาจดีไม uh, ่ได้จด <c oughs> ่ไ่จดดีไม่ฮะชาินนค่ะชื่อสันสีชื่อลิงนะคะไ้ ชาวอินโดนีเซียค่ะห<ะ>ูไปเจอกันที่หมอชิดเขาตั้งใจจะมางานวันเกิดหลวงตา<ะ>เจอเมื่อคืนวันที่9แล้วพามา<ะ>เขาศรัทธาถวายปัจจัยคนนี้ชื่อสันติมาทั้งแรกค่ะชื่อสันติมาทั้งแรกถาวาย 27,000 บาทส่วน<ะ>คนนี้ชื่อบิมมาเมื่อเดือนเมษา<ะ>เขามาครั้งนี้อีกครั้งนึงถวาย 5,000 บาทกับ100ดอนเจ้าค่ะแล้ก<ะ>็100ดอนค่ะแล้วก็เขาวอวยพรให้หลวงตาเนื่อในวันเกิด ขอให้หลวงตามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนเจ้าขา รู้ภาษาไทยเปล่าไม่รู้เจ้าค่ะแล้วเราทรงภาษาเขาสรงแบบไห น, นภาษาอังกฤษกับภาษาเดาค่ะไปเจอพระวัดบรวอเขาไปหาพระที่วัดบรวรนเจ้าค่ะแล้วพระวัดบรวรนมาส่งที่หมอชิดแล้วดีคนนี้เขาจําแป๊ได้แป๊กําลังซื้อตั๋วเขาดีใจวิ่งมาหาแปะที่หมอชิดค่ะ<อ>แล้วแป๊ก็เลยอาสาบอกพระว่ากลับไปได้แล้วเดี๋ยวแป๊กพามาวัดป่าบันตาเองค่ะพขาตั้งใจมาวัดป่าวันตาดแล้วก็ เขาสั่งส่งที่มงคลดัวเจ้าค่ะพ่เห็นลายพอเห็นลายเขาตองศรัทธาเขาว่าหลวงเขามีประวัติหลวงตาอยู่ที่อินโดนีเซียเจ้าค่ะชาวอินโดนีเซียศรัทธาหลวงตาประวัติหลวงปู่มั่นกับซึ่งเป็นประวัติหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาว่าหลวงตาเป็นพระละหันเป็นพระดังเวรหนึ่งเขาก็เลยมากล่าวเขาทำด้วยความปิติเขาบอกว่า เขาตั้งใจมากเลยเจ้าค่ะนนี่เ้าว่าก็มีอีกในเมืองไทยแล้วนี่และว่าพระละหันทำไมดุเก่งนักเรา่ออมันนี่มันอะหันดุเราก็บอกกันนะคนท่ว่าไงใช่ไหมถ้าเขาว่าว่าเราเป็นลหันว่าเราไมพระละหันดุเ้ากาพระละก็หันดุไม่ใช่อะหันดีก็บกัน่า ไปอย่างนั้นสิยะภาษาถังขยะชมเท่าไรก็ถังขยะตั้มหนีเท่าไรก็ถังขยะมันอยู่ในเขตขอบของถังขยะทําเป็นยังไงนั่นฟังเอาซิเข้าใจไหมเรื่องนี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นถ้าว่าเกินถ้าว่ายกระดับสูงต่ำว่านี่คือถังขยะชมเชยก็ดีฉัรเสริญก็ดีนินทาก็ดีถังขยะทั้งขยะมันจะออกจากปากถังขยะใจถังขยะเข้าใจหรือเปล่าอม จะมีอะไรอีกอ่ะว่ามา ม, มีเจ้าค่ะมีเท่นั้นเหรอขอบคุณมากเจ้าค่ะขอบ้าอะไรไม่มีเลื่ อ, อมใจ <c oughs> เอ้ามองเห็นล่ากันฟากทุก่งนาเนาะขอบคุณครับเห <c oughs> มืนอะไรก็ันเลยแล้วมีเหตุผลที่ว่าเริ่อมใจได้อ่านประวัติ ประวัติเขาก็อ่านแล้วก็ตามเรื่องราวนัื่เขาไปคอลเล็งสายก็ถูกต้องมีเหตุผลั้งนั้นดีเพราะยังาถามเรื่องสยเพราะอะไรเอาหาสาเหตุมาเมื่อรับกันได้แล้วก็ร ง, งกันนะผ ม, ะมว่าจริงคือว่าพระหารนทำไมดุเขาเาเาไปเคยเห็นที่ไหนว่าพระหัไม่ดุ พระนาร์ไม่ดุเขาก็ไม่เคยสิ้นจะยินเสียงเพราะว่าหลวงตาบัวเป็นพระหาร์พระนารา์ทำไมดุเพราะว่าองค์ไม่ดุนะพระนารายณ์องค์ไม่ดุ ค, ดคือองค์ไหนก็ไม่เอามาขี้แกงให้เราทราบเขาใจเ่ามันด้นเดาว่าอะไรการหลักธรรมชาติธาตุขันนี่เป็นเครื่องมือ คือร่างกายการแสดงออกทุกอย่างเป็นเครื่องมือของทั้งกิเลสและธรรมิเลสเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของและกิเลสเป็นเจ้าของอย่างสัตว์โลกทั่วไปนี่แสดงพอยามาดีช่วยเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าออกมาจากใจคือว่าถ้าใจใจมีกิเลสมันก็ออกพิยามกิเลสออกมาดุ ด, ดาากก่าว่ากล่าวอะไร ครีแท้นหรืไม่ดีฆ่าตันแรลกไปนี่คือพิเรนเจ้าของนาเครื่องมือออกท้ายกีจยาท่ากลางเป็นกิจยาท่าทางของพิเรนคือฟ้าหมดได้ทั้งนั้นในที่นี้ถ้าทำเจ้าของเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทำก็นำออกท้าย แต่ทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตนเอาเครื่องมือคือขันเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของกิเลสมาดั้งเดิมมาเป็นเครื่องมือของธรรมของอานจิยาท่าทางการแสดงออกของธรรมจึงเหมือนกันกับอานจิยาของกิเลสพาสแสดงออกจากขันอันเดียวกันนี้มัน ต, ต่างกันนี่คาว่าพลังกิเลส นั่นก็มีพลังของมันพลังทมให้โกรธให้แช่งัก็แสดงมาตามพลังแห่งความโกรธแช่งของต่อมพระนั้นิีาของกิเลสเวลาแสดงไปจึงทาให้โลกหยาดดอนหมุนวายและพินาศจูหายได้แต่ธรรมนีพลังของธรรมเป็นความเมตตาล้นวนๆเป็นน้ำดับไป ยิ่งยาจ ะ, สะแสดงออกเหมือนกิเลส ก, ก็ตามแต่พลังภายในเป็นพลังของธรรมออกมามันจะเป็นน้ำหลับไฟเพื่อใหนเงีเพราะพระพุทธเจ้าพระหันท่านจึงดุได้ดีได้สรรมดาเหมือนคนเราเพราะวาเหตุผลที่ควรจะดุจะดีออกจากใจส่านพิจิรณาเรียบร้อยแล้ว ควรดุสั้งก็ดุดุก็ดีนะ <c oughs> ควรมีก็ดีดีเพื่อ ส, องสอง่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นพอเราจะเที่ยวแล้ ว, วก็มีเรื่มนี้หน่อยว่ามีนี้หน่อย <c oughs> แล้วเอามีเรื่มนี้ไปฟันหัวขนก็ได้มีเรื่มนี้เป็นเครื่องมือของคนพูด จับเมื่อยขึ้นฟันนะจับไปฟันหัวคนก็ได้จับไปฟันแตงโมออกมาขิงก็ได้เม่ เ, เดียวเห็นไหมเนี่ยขันเนี่ยถ้าเกิดจะไปใช้กับฟันหัวคนถ้าทํามาไปใช้ก็เป็นฟันแตงโมเข้าใจรึ่มเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเห็นพ่อทหาร แล้วมันทำไมจึงไปให้ขันยนพระอรหันตัดขันยนพระอรหันมันตึงก่อนพระอรหันมาจากไหนไปหาโคตรมาคนประเภทนี่หนักไปพมาให้หลวงตาบัวดูหลวงตาดำดูพวกอรหันลมป่าเนี่ยอมชี้มาเป่าฟู่ฟูเป่าทองคําต้องแจ้งให้เป็นชี้มันเป่าได้ยังไงทองคําจะเป็นขี้ได้ไหมไอขี้ไม่เป่ามันก็เป็นขี้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะ ว่าโบรามันี่ <c oughs> เราไม่เคยเห็นเราไปพูดว่าพลิกตรงนั้นแหละด้นดาวถ้าได้เห็นพระจากตัวเอย่างนี้ไม่ว่าภายนอกภายในมันพูดได้ถูกต้อง <c oughs> ถ้าไม่เห็นก็พูดอย่างด้นอย่างเดาไปอย่ายัง้ถ้าพูดอย่างนี้เราก็จาให้ย <c oughs> ้อนเห็น นารทำแล้วอยู่ในอยู่ในบุคคลทีขาดใชยไหมบุคบคจทีขาดแสดงมาเป็นคนหมายพระวินัยของพระแล้วมีธรรมอย่างนั้นเกี่ยวพนอย่างนั้นแสงกันไปเวลอธิบายภาพธรรมท่านก็อธิบายไปภาพวินัยของพระตั้งอธิบายไปเราได้อ่านดูน ยังไปเจอเอาที่ว่าว่าพระรหารนอนหลับไม่ฝันวะถ้านอนหลับยังฝันอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่คือคนตาบอดทายพระอรหันต์เข้าใจไหมทายที่ตัวเองอเนี่ยจำได้ทันทีเลยเนี่ยผู้ประจวบจะลึกมามันเป็นอย่างนี้เองนนคนตาบอดประจดบจะลึกมา การจดใจลึกมาแล้วคู่อ่านถ้าเป็นคนตาบอดด้วยกันมันก็บอดไปแล้วการเชื่อประจําตามกั น, กนถ้าเป็นคนตาดีแล้วอ่านปั๊บจับคูมของผู้จดใจลึกมาได้เทันทีเลยนะ <c oughs> ถ้ารล้หันนอนหลับแล้วไม่ฝันเนอะ <c oughs> แล้วก็มีอีกอันหนึ่งในธรรมอยู่ว่า พ <c oughs> ระอรหันต์เมื่อทำอย่างพระอรหันต์แล้วต้องออกต้องต้องต้องบวชแต่มีคำหนึ่งไม่มเห็นไม่ชัดว่าต้องออกบวชหรือว่ต้องบวชคําว่าต้องบวชมนตีได้หลายความหมายได้หลายทางถ้าถ้าไม่บวชเขาตายภายในเจ็ดวั น, นอย่างนี้แลแล้วพระอรหันต์ไม่ไม่ฝันยังไง การฝันนั้นเป็นเรื่องของสมมติธาต์ขันเป็นสมมติเรว่าทำไมสมมุติเขาจะเดินตามทางสมมติของนั้ได้คำว่าอาหารหันต์ไปบังคับสมมุติไม่กระดิกพิแพลงได้อย่างไงนั่นฟังด้วยถ้าขันเรื่อนี้เป็นสมมติทางนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติอันนั้นไม่ได้มาฝันที่ยาของขันแสดงออกอืมมันถองฝันได้ทั้งคนดี คนมีคกลือคนชื่นเกลอนั่นหแหละจะเป็นอะไรไปแ่้เถือว่าผู้สำเร็จเป็นทหารแล้วต้องบวชไม่ไม่บวชตายพระไรจิตวันอันนี้มันมีข้อแยกอันหนึ่งว่าถ้าว่าออกบวชน่มันเป็นความหมายสำคัญนะต้องบวชคือว่าอยู่ยังไงก็บวชได้คาว่าบวชแปลว่าวัน สิงที่เป็นขั้นสิกขาธรรมทาตั้งแต่ต้นถึงขัน้นอรหัตธรรมก็เรียกว่าธรรมใช่ไหมอะไรที่ยึดขาดต่อธรรมแล้วเว้นเว้นท่านจะรู้ของท่านเองไม่ต้องมีใครไปบอกใครจะฉลาดตัวเองพ่อลหลักหนุนฉลาดต่อแดงสมมุติทั้งหลายไม่ว่าสมมุติในขันนอกขันไปท่านจะรอบทุกอย่างขันของท่านแสดงมาไงท่านไปวิมุติจิตท่านจะรอบในขันของท่านอีกด้วยท่านจะว่าไง เรต้องออกบวชแต่มันมีคำกลางๆต้องบวชทำมาต้องบวชนี่ออกบวชคือต้องออกไ ป, ปไปบวชเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเป็นเพศไม่ใช่แบบแม่ขีแม่ขาวพิษสุณีอย่างนี้เพราะว่าผู้ชายก็ออกบวชเป็นผ้าเป็นหนึ่งหรือเป็นตาพระขาวอยู่นี่ก็เรียกว่าบวชได้นะออกเลี้ยวบวชได้อื ถ้าอยู่ที่เฉยเนี่ยคว่าไม่บวชเมืองคนธรรมดานี่เปลยนไปไม่ได้ท่านรู้ของท่านเองอาการจดใจลุกเราไม่เราไม่โอ้อวดไม่ไม่ยกตนผมท่านนะอ่านไปอ่านไปมันจะตับผลตลอดไปเลยมันก็สอดถึงผู้จดใจลึกจดตาลึกจนได้นั่นแหละ คนผู้ตรวจใจเรื่องนี้เป็นคนว่าแพรไกลประเภทที่ทมีที่เดืเ่อแพ่ทิง่เรื่อถ้าประเภททิง่เรื่ออ่านมัน ก, ก็รู้ทันทีประเภทที่มีทีเรื่องที่ตรวจใจเรื่องมาก็รู้ทันทีเหมือนกันเช่น <c oughs> อย่างนี้เราไม่ต้องโดนต้องเดาบอกคงคงเลยเช่นเราฝันนอนหลับแล้วไม่ฝันอย่างเนี้ยบอกตีแล้วหาเจ้าขอมเลยภูมิอะไรนี่หน่ะ ออืก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วเ่ยขันนี่เป็นสมมูลที่ยาที่สแสดงออกได้ขันทำไมจะสแสดงออกมาได้ในวงสมมูิของตนนั่นเพราะฉะนั้นพระอาจรยึงต้องผันได้เช่นเดียวกับคนเราไปพิจาราอะไรก็เรื่องของขันทำ ง, งานส่วนที่สมมูลอะไรไปแตะได้อะอืนอกสมมุติไปแล้วแต่มาดึงเข้าอยู่ในสมมูิ บางครับให้อรหันไม่ฝันมันเป็นไปนไม่ได้นี่อย่างนี้ชัดเจนแต่บวชอย่างนี้เป็นคํากลางๆตีความหมายไปไหนก็ได้แต่เพิ่งทราบเกิดว่าลงถึงขั้นอหรหันแล้วท่านจะรอบหมดในกิยาของสมุดทั้งในขันของท่านนอกขันของท่านคําว่าบวชท่านจะเว้นในแบบธรรมชาติเราคิดอยู่ตั้งแต่พระโสดาออริยบุคคล ขั้นแรกขั้นโสดาภกิุทาอนาคามอรหันต์อรหันต์เป็นอาญาบุคคลขั้นสุดยอดขั้นต้นคือโสดาภิกษุโสดาเป็นโสดาบันอแล้วพอสําเร็จโสดาบันแล้วหีโอตตปะจะมาเองเปิดเองไม่ต้องสมาทางสิงก็เป็นสิงขึ้นมาแล้วโดยหักธรรมชาตินั่นเป็ยงนั้นห <c oughs> ีโอตตปะคือความรู้ดาาุลกลัวตถากรรมทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเองพอเห็น หลักฐานนั้นใหญ่โตกระแสโสดาเบลวกระแสเขาจะผ่านภาคถึงถึงแล้วจึงจะทราบซึ่งถึงบุญถึงบาคันทีเลยนะครับทราบซึ่งถึงบุญถึงบาคันทีแล้วก็มีอีกอุปสรรคซึ่งกลัวต่อบาตรต่อกรรมคันทีเช่นเดียวกันอันนีงเรียกว่าเป็อย่างการศึกาทางศีลปึศมีถึงการจะให้มีศิลป์มีหลายประเท สมาทานมีรักคือสมาทานจากพระเอาพระมาเป็นสักขีพยานไม่ใช่ไปรับสีจากพระนะพูดตามแบบรรมาทาแล้วคือสมาทานจากพระเอาพระเป็นพยานยืนยันเจ้าความไม่เชื่อใจาัวเองเอาพระมายืนยันมารักษาสีแล้วจะไม่ไปทำให้เป็นข้อเป็นการทําลายสีเพราะเอาพระเป็นพยานก็ต้องกลัวว่าคนเราใช่ไหมล่ะนื่ก็สีสก็เกิดที่นี่ยัง เจตนาวิรัตเจตนางดเว้นในสิ่ข้อนั้นๆนนนก็เป็นสิ่งขึ้นมาแล้วไม่ต้องสมาทานกับพระเอาพระเป็นพยานเอาเจตนาของเป็นพยานเลยอเจตนาวิรัตแล้ว <c oughs> สัมปตาวิรัตเป็นสิ่งขึ้นในปัจจุบันเช่นไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าที่นี้ขนาดนั้นเป็นสิ่งขึ้นมาเรียกว่าสัมปตะ แะเรียกว่าเป็นสินขึ้นมาซึ่งจึงน่าควรฆ่าไม่ฆ่าควรรักไม่รักควรอะไรในสีห้าข้อนี้ท่านจะไม่ฝา่าฝืนในเวลานั้นนะเป็นสินขึ้นมาในขณะนั้นนนั้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตสมุทรเสดสวรรค์เจตนารับศินตั้งแต่นี้จกระทั่งถึงวันตายจะไม่ล่วงเกินสินเหล่านี้นประการหนึ่งแล้วสมุทรสมุทรเสดวรรค์ของพระยะบุคคลหนึ่ง บวามแย่บุคคตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปแล้วถ้านศีองท่านจะมาพร้อมเลยจะมทาทำเมตสมราเราเป็นสมมติเฉดทุยรัดไปเลยหาว่าจะเป็นหัวหน้าพาไปอคนที่ยังมาเข้าใจศีนก็ทําเป็นผู้นําำคงหน้าพาลับศีนก็ทักที่ยาศีนท่านไม่สงสัยว่าท่านมีศีนดังว่ายึ่ขาดไปนําเขาว่าให้เฉยน เนี่ยสีมีหลากหลายประเภทอย่างนี้ส่วนชุมชนสิทธิ์ของพระยาบุคคลจะโสดาบันไปทั้งเป็นสีในธรรมชาติเกิดขึ้นจากหิริโอตภะทันธีทันธีนั่นเมื่อ ท, ท, ท, ท, ที่ว่าถ้าว่าเมื่อสำเร็จหลานแล้วต้องต้องบวช คำว่าบวชนี่มันแยกไปได้เลยเหมว่าออกบวชออกก็ออกทั้งลูกท่านเองนั่งบวชทาเวทอะไรที่ควรไม่ควรต่อธรรมของท่านท่านรู้ท่านเองนี่ก็มีในตำรานะท่านบวชภายในเจ็ดวันะไม่ท่านนี้เป็นยกบุคคลออกออกไปว่าต้องเอาอบวชนะภายในเจ็ดวันเช่นพักเขมานางเขมา <c oughs> นี่เป็นพระรหันขึ้นในนั่นนะต่อพระภพาคโคฟุเจ้านะฉนเลยร็จหันเลยมาบรรยายถึงเรื่องนางเขมาเนี่ยในตำรามีต้องพูดถึงเอานางเขมาเป็นเหตุแล้วก็บอกว่าผู้สำเร็จเป็นพระรหันแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันว่า นั่งมีภายในวันนั้นวันนี้อยู่ก็แสดงว่ามีการออกบวชอยู่เนี่ยมันก็นเข้ากันอีกเข้าใจไหมละ่ะถ้าไม่มีการว่าออกว่าอะไรนี่ฮิโอตะปะขึ้นเองเป็นหลักธรรมชาติท่านจะรู้จักท่านบวชในตัวนั้นเสร็จนั่นเข้าใจไหมละ่ะถ้าว่าถ้าว่าต้องเอาบวชภายในเจดวันมันเหมือนว่าต้องให้ออกบวชถ้าไม่ออกบวชแล้วตายาว่ า, หารหันทำไมาจะเป็นพระเจ้าอือสังหารขันท่าให้ตายว่า นั้นอรหันเป็นธรรมที่เลิศเลยอันใดที่ควรจะดวงธรรมแห่งอรหรันแล้วท่านผู้ทรงธรรมอรหัตธรรมนั่นจะรู้เองปฏิบัติตัวไปด้วยความถูกต้องโดยไม่ต้องมาถามใครเลยนั่นเข้าใจไห้บาลราบปวดภายในเจ็ดบนนี่มันนี่อันหนึ่ง ต้องไปออกไปซะก่อนอันน้นเจ็ดวัน น, นอกนั้นจะทำอะไรก็ได้พอเจ็ดวันไปแล้วค่อยเว้นอันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าบวชเท่านั้นพอถึงเจ็ดวันแปดวันไปมันยังไงกันอันคุณท่านจะรู้ท่านเองพอเหมาะพอสมรู้รู้เองอันนี้ เนี่รียกโอตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปรู้บุญรู้บาปคุณง่ายง่ายเชื่อบุญเชื่อบาปทันทีเลยพอสําเร็จขั้นโ ส, โ ส, โสโดาบันขึ้นไปแล้วจะเป็นศีลในหลักธรรมชาติศีลห้าข้อเป็นหลักธรรมชาติเลยนี่โอตบะบัตนี่โอตะปะสมบูรณ์แบบทุกทุกข้อในศีลห้าข้อนั้นเป็นศีลในหลักธรรมชาติของพระโสดาคืออริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง เนี่ยที่มันไม่เห็นมันมันถึงไม่กลัวบาปไม่อยากได้บุญได้กุศลคือพูด้ง้ายๆก็มันไม่เชื่อทั้งบาปทั้งบุญเต็มสัดเต็มส่วนความเชื่อเชื่อแต่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนแต่พอสําเร็จพระโสดาแล้วเชื่อเต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบาปเพเต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบุญเต็มสัดเต็มส่มสวนฮิรูอุตปะความชั่งกลัวต่อ บ, บาปอั่นี้มาทันทีนั่นมีเรียกว่าสีน่าธรรมชาติ ของผ้าเลี้ยบบุคคลขั้นระโสดาขึ้นไปอะไรก็ตามที่เรานั่นน่ะเช่เช่เราเรียนที่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลยเรียนไปรูปคำคำไปเรียนไป รูปคำคำไปสงสัยไปสงสัยไปท่านบอกว่าอย่างแก่นแก่นเลยทีเดียวเช่งบาปบุญนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานเป็นเป็นแก่นเป็นแก่นของศาสนาเลยมันยังวม่ได้เชื่ออะไรนั่งหนาและไม่เชื่อนุ่นฟังที่หนาเชื่อบาปเชื่อบุญนรกสวรรค์เชื่อเชื่อขึ้นกลางกลางละอไม่ได้เชื่อเต็มเม็ดเต็มหน่อย พราะยางถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ว่าโ ส, โสดาบั น, นแลปั๊บเชื่อไปหมดเลยยังไม่เห็นก็เชื่อไปเลยนั่นเพราะงั้นฮิโรตะปะความชัรุ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมจึงมาเองเกิดเองเป็นเองเชื่อบุญเชื่อบาปเต็มแล้วนะั่นถึงยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็าตาย <Yeah. S 2> ได้แล้วแสะตะเอาโสตะปแปลว่ากระแสพลิวะะพานคือความจริงนั่วล้ ว, วนเข้าถึงแล้วนั่นก็ต้องเชื่อความจริงไปตลอดแล้ว อย่างรี้เคยพูดเสมอว่าความจํากับความจริงมันต่างกันมากน้าว่ะความจําจําได้เท่าไรมันก็ยังเครือบแคลงสงสัยตลอดไปเลยอยางท่านบอกว่าบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานอ่านไปก็ะทั่งเรียนไปจนกระทั่งถึงที่ว่านี่ตลอดสงสัยไปตลอดเลยนะมันไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวได้เลยนะ บาปบาปว่าบุบาบบญนรกสวรรค์ว่าอะไรสงสัยนั้นไปหมดนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆมันสงสัยเรื่งตางกันหมดพอข้าปฏิบัติจับเขาปับ๊บมันมันเข้าไปปับ๊บมันยอมรับเลยนั่นคือมันเห็นจริงๆรู้จริงๆทั้งบาป ท, ทั้งบุญนั้นกระเทือนไปหมดถึงนรกสวรรค์นิพพานกระเทือนไปหมดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดยอมรับไปหมดเลยหานไม่อย่างนั้นนะ ความการปฏิบัติรู้ก็แล้วท่านนี้ว่าคือมีสันทิฏิโกรู้เองเห็นเองประจักษ์ไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานเรียกว่าสันทิฏิโกรู้เองแล้วหายสงสัยหายสงสัยในธรรมทุกขั้นเรียกว่าสันทิฏิโกแล้วเรียนนี้เป็นความจําไม่เฉยเรียนแ บ, บกคำภีมาจนหลังกลงกิเลสก็ไม่ฉลอกบอกเปิกสักตัวเดียวนะ ทำแม้นี่หนึ่งก็ไม่ค่อยปรากฏในจิตเรียนด้วยความจําไม่เฉยแต่ผ้าปฏิบัติได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วแบกไม่แบกก็ตามคมภีร์ในอยู่ในนี้แล้วนั่นะคัมภีร์ในคมภีร์นอกคมภีร์นอกเช่นพระกรายพิโดคำภี์ในเช่นทำที่พระพุทธเจ้าประหารท่านสรงไว้โดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าคัมภีร์ในท่านเห็นคัมภีในท่านจะไปสงสัยเลยกับเงาข้างนอกคำภีร์นอกนอนละ่ะนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะ มันมีผิดมีเพี้ยนได้นั่นแหละผู้จดใจลึกนั้นแหละเป็นสําคัญผู้จดใจลึกมาที่ผิดพลาดพาดไปอย่างนั้นก็มีสอภูมิของผู้ไปจดใจลึกว่าเป็นคนประเภทใดถ้าเป็นอาหาดตะบุคนไปจดใจลึกมานี่ไม่เคลื่อนคาดนะถ้าเป็นคนสามัญแล้วนี้มันก็เคลื่อนคาดได้มันะผิดพลาดได้ เมื่อพูดถึงเรื่องความบิดเาี้ยวอยาเข้าใจว่าจะถูกต้องทุกอย่างไม่ได้ถูกนะมันมีแท้ความผิดมันมีแท้อยู่ตามกิเลสออยู่ในหัวใจของผู้โจดจากเรื่องจนได้นั่นไม่มีเจตนาก้าวผิดมันก็ผิด อ, อย่างเขาหลงทางเขาไม่มีเจตนาจะหลงทางแต่ก้าวไปผิดนี้ก็ผิดไปเรื่อย ๆ, ๆก็จะเละเลยเจตนาไม่เจตนาเลยแล้วก็ก้าวผิดไปแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยที อไอเจตนาที่จะกล้าไปผิดใครจะไปผิดก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทางผิดนี่ใช่ไหมไม่ไม่มีเจตนามันจะผิดได้อย่างคนเราทําบาปทํากรรมเจตนามีก็มีไม่มีเจตนาก็มีแล้วไม่รู้เลยว่าบาปกรรมเพียไงก็มีเยอะอย่างนี้ด่านไปเลยอยากอะไรอะไรบ้านไปเลยอันนี้พูดอะไรแล้ ว, แ ล, วแล้วพูดไปพูดมา ก็เรียกว่าเทศในฝังแล้ววันนี้เทศเกี่ยวกับเรื่องไปญาติปฏิบัติปฏิเวชนันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นหรือะไรอะไรอะไร หมายเช็คประจาเดือนเจ้าค่ะวันีนังสืออะไรนั่นอ่าหนังสือของคณินเจ้าค่ะคณินบุญสุวรรณเนี่ยเป็นเคยเป็นสอสอมาของชนบุรีนะคะอ่าหลายสมัยเจ้าค่ะแล้วก็อ่าเป็นอ่าสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญเจ้าค่ะ เด็กกันตอนนี้นันไปเรียนเมืองรอบเจ้าค่ะแล้วเขาก็เขียนเรื่องยุทธศาสตร์ทางเลือกของชาตินะคะรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไหนว่าไงอ่านว่าไงยุทธศาสตร์ทางเลือกของชาติตอนรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยทนินเขาเขาเขียนแล้วเขาก็เอาแจกจ่ายประมาณสามหมื่นเล่มเจ้าค่ะเขาก็ประมาณสัก ตั้งแต่เดือนราวเดือนพฤษภามิถุนาสามเดือนแล้วเจ้าค่ะอ่าเขาก็เห็นว่าชาติจะมันอ่าไม่ดีเพราะว่ามันจะสิ้นเพราะว่าอ่าการรวมบัญชีเจ้าค่ะทีนี้ดิฉันก็เห็นว่าเขาเนี่ยเอ่อมีความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญดีเจ้าค่ะก็เลยเอามากราบเพราะเขาอยากจะกราบหลวงตานานมาแล้วเจ้าค่ะอ่าดิฉันส่งหนังสือหยดน้ําบนใบบัวไปให้เขาอ่านเขาบอกผมก็อ่านแล้ว แล้วก็เอาครอบครัวเข้ามาด้วยเจ้าค่ะภรรยากับลูกสาวเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วพวกเราม่กระอ่านกั น, กนเมื่อเมื่อแล้วก็อ่านร้อนหลังไปบ้างที่พวกที่จะทํำลายชาติบ้านเมืองเขาเริ่มจมเขามีความรู้ทางธรรมนูญหรือเปล่าเ่ะ mm hmm. พวกนี้นะ่ะ mm hmm. หรือมีแต่พวกเราเต็มทลามพวกนักธรรมานุทั้งนั้นเลยเนี่ย <laughs> <laughs> <laughs> ก็เรื่องความจริงก็เป็นอย่างนั้นทำก็บอกแล้วอืมอะไรจะละเอียดลออยิ่งกว่าทำมามจะจจะบัญญัติไว้ไม่บัญญัติไว้จะประกาศออกมาไม่ประกาศออกมาความจริงจะครอบไว้หมดเลยถูกถูกทำจะครอบไว้หมดรู้ทันทีมันคือมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนรวน่วมนตรีใครใครก็ทราบก็ตัวโรคแล้วใช่ไหมล่ะ เราก็บอกเนี่ยทำก็บอกงกงคือภาษาธรรมจาเป็นภาษาที่งาสงภาษาที่อ้อมแอมอ้อมแอมแค่หนึ่ว่าการรวมบัญชีเนี่ยเป็นอุบายวิธีการของจี้ที่จะกลืนเงินในคลองหลวงออกไปตั้งแต่ต้นจนระทั่งหมดที่ไม่มีใจเหลือเมืองไทยกลายเป็นหมาหกสิบสองล้านตัวไปเพราะไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวเป็นเครื่องประกันตัวแล้วเขาบอกว่ารวมบัญชีท้องที่ไหนนัน่งคือรวมบัญชีแล้ว ใครก็คิดไปได้แปลกๆต่างๆเป็นเรื่องที่เขาจะหลอกลวงได้บางครั้งถึงนะเพราะว่ารว่บัญชีรวมบัญชีก็ดีไม่รวมบัญชีก็ดีก็เป็นเงินของชาติจะไปอะไรไปนั่นเห็นไหมล่ะเงินถ้าเรื่องบัญชีนี่มันเป็นทางเดินก้าวเข้าไปหาทางหลวงที่จะไปสังหารทางหลวงผ่านค้าถูกมือแล้วเยียบบัญชีนี่มีกีบัญชีก็ตามเยียบไปเลยเขาไม่สนใจบัญชีมีเงินหรือไม่มีเงินกี่บัญชีขอให้อ่ สมบัติในคำหลวงเนียคว้าถูกมือเราะนั้นเหยียบไปเลยนั่นแรงใหญ่อยู่ของนั้นนะั่นรวมมันชีไปรวมชีจกโกยอยู่ไม่โกยว่ากันถูกเนี่ถ้าว่ารวมมันชีก็คือโกยนั่นเองว่ากันถูกต้องอืนี่ภาษาของผมเพราะงันเราต้องดึงออกมาพูดให้พี่น้องหลายทราบว่าการรวมมันีมัเป็นคําอ่อนหวานยิ่มนวลหลอกลวงโลกกระหารักความจริงแล้ว คำว่าการรวมภีคือตางเงินเข้าไปเพื่อจะไปกกยเงินในคังหลวงออกไปทะลุงให้แหลกหมดเท่านั้นเองนี่คือภาษาธรรมพวกย่ำโกงไปโกงมาเรายุดออกก็ะกาศแสร้างภาษีเลยการรวมภีคือการกกยสมบัติของชาติคือคังหลวงให้หมดไม่มีเหลือเลยนี่แหละหวังนี่ว่าเราไม่เห็นด้วยในะการรวมภาษีก็คือไม่เห็นด้วยในะการไปโกยคังหลวงเข้าใจไหมล่ะมันก็มีเท่านั้นเอง ไหมีแวกบบตาเียไหนใครบ้างมาแต่ภรรยาอือแ่นาันี้เ็นเของลูกสาวกันฮะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวเรียนอยู่ท่อูมิาคตะวันออกกลับมาใช่ครับวนยังม่เคยพราก็ล้ตายไม่เยอะหรอ ก็เคยเขาเขาเพิ่งหายพบก็ทราบเจตนารมณของฮะทราบเจตนารมณของนตามพูดให้เสียงดังๆก็ได้พวกนี้ไดยินด้วยววนีเขามีหูทุกคนเข้าใจไหมพูกนี้เขาฟังก็ยินด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่กผมได้ออกมา เคลื่อนไหวในการต่อต้านการรวมบัญชีนะครับก็เป็นเพราะเหตุว่าได้ทราบว่ารัฐบาลผู้มีอำนาจในชุดนี้นะครับได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับในทางที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นสร้างเสื่อมเสียอิสรภาพให้กับต่างชาติครับเริ่มต้นด้วยการไปทำหนังสือเส้นยาที่เรียกว่า IMF นะครับกับ IMF น, นะครับ แล้วในนั้นมันมีเงื่อนไขหลายข้อเลยนะครับเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือการขายรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของชาติเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นเงื่อนไขข้อที่สองก็คือให้มีการรวมบัญชีธนาคารในประเทศไทยซึ่งคำว่ารวมบัญชีนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับแต่ความหมายก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะเข้าใจขึ้นครับว่าการที่หลวงตาท่านได้ออกมาเทศนะครับ พูดถึงผลเสียหายของการรวมบัญชีนะครับหลายคนก็จึงทำการศึกษาประแทศที่จริงแล้วในการรวมบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นกนอุบายอย่างหนึง่งในการที่จะนำเอาเงินในท้องพระกางหวงที่เรียกว่ารวมบัญชีพิเศ ษ, ษนะครับจำนวนพิเศษนะครับไปชำ ร, ระหนี้หนี้ซึ่งเกิดจากความเสียหายของทั้งธนาคารชาติและของกระทรวงการคลังพร้อมๆกัน แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการรวมบัญชีจริงแล้วนําเงินก้อนนี้ไปใช้จริงๆนะครับเงินก้อนนี้ซึ่งมีอยู่ 27,000 ล้านดอลาลาร์านเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะสูญสิ้นความเป็นชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ต่างชาติก็ยอมรับว่าไทยยังเป็นไทยอยู่ก็เพราะเขาเห็นเราเรามีเงินสํารองก้อนนี้เป็นพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ใครมาแตะต้องไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้พอได้จังหวะที่เห็นว่าคนในรัฐบาล น, นะครับออกมาวิาพากวิจารณ์ หลวงตาว่าไม่ใช่ของกิจของสองฆ์อะไรต่างๆผมก็เลยถือโอกาสนี้ทําหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. ประการแรกก็คือว่าต้องสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ทราบน mm hmm. ะถึแม้ท่านเป็นพระแล้วนี่นะครับ mm hmm. ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงแหนในความเป็นชาติเหมือนกันท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแลในาประการที่2นั้นท่านได้คิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ด้วยเหตุผลที่สําคัญก็คือป้องกันมิให้ คลังหลวงของเรานั้นมันสูงสิ้นไปนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันก็มีแนวโน้มที่ว่าเงินในท้องพระคลังหลวงเนี่ยมันจะหมดชิ้นไปด้วยถึงแม้หนุงตามหาบวญนะครับจะพยายามที่จะรวบรวมเงินบริจาคต่อไปอีกสักกี่หมืน่นกี่แสนล้านก็ตามถ้ารัฐบาลเนี่ยทำการรวมบัญชีนี่นะครับกี่หมืน่นกี่แสนล้านมันก็จะต้องหมดไปด้วยเหตุนี้ การที sí, sí, mm ่รองตามมหาบูร hmm. พ์ทั้งทั้งทั้งสาินะครับออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านการบวมบัญชีนี้ถือว่าเป็นความชอบธรรมและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะรู้นะครับแลองเนื่องจากทรัพย์สินก้อนนี้เป็นทรัพย์สินของคนไทยทั้งทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นการที่ผู้เมียมหน้าจะมาอ้างความจำเป็นบอกว่าจะเอาเงินไปใช้นี่ต่างชาติซึ่งมันเกิดจากความเสียหายของคนเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็ยังลอยนวลอยู่ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยนะครับ แลก้การที่จะต้องมาเอาทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศไปใช้นีเขาเหล่านั้นน่ยนะครับมันก็สมควรที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะรวมรไม่รวมการรวมก็คือหมายความว่าเอาเอ า, เอาเงินในบัญชีทุนสํา ร, รองพิเศษเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยที่ในที่สุดแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนนะครับที่จะแสดงความเห็น นะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการบวมบัญชีซึ่งในที่นี้ท่านต า, หามาหาบัวท่านก็นเหมือนเสมือนเป็นหลักชัยนะครับเป็นหลักพงชัยในการนําคนไทยทั้งประเทศว่าเราสมควรที่จะตั้งบ้านนะครับในความยึดมั่นที่จะต้องรักษาเงิมทองประการหลวงซึ่งตกทอดมาตั้ง แ, แต่สมัยบรรพบุรุษนะครับ<ม>เอาไว้ให้ลูกหลานของเราเอาอเข้าใจแล้วสีนี้เราจะอธิบายให้พี่น้องชาวไทยทราบไปหมดแล้วไม่ใช่หรือที่อธิบายตะกี้นี่อ่ะเข้าใจไหม เราอธิบายไว้หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่องเลย น, นะเข้าใจหรือเปล่าอที่ว่าหลวงตะ บ, บัวมายุ่งอะไราการบ้านการเมืองการหมาของเขาต่างหากนี่ไม่ใช่การบ้านการเมืองออืถ้าเป็นการบ้านการเมืองต้องรู้จักบ้านเมืองอะไรจะล้มจมไม่ล้มจมหมามันไม่รู้กินเรื่อยไปเลยเข้าใจไหมนี่ก็ตอก็ตอบกัน อ, อย่างนั้นนะเข้าใจาือเปล่านี่เราอธิบายไว้หมดแล้วคือไหมเนี่ยทําเข้าวไปหมด เราไม่ต้องไปเรียนกฎหมายเราพูดจริงๆนะทำมาที่เข้าไปหมดแล้วดึงออกมาพูดออกมาพูดหมดแล้วอธิบายเ่านี้เรา่ต้องเชยญคุณว่าเป็นอันเดียวกันกับรรมเข้าใจไหมที่ทำที่อะไรอธิบายไปเรียบร้อยแล้วอธิบายอย่างนี้่ฉะนั้นประกาศทั่วประเทศไทยทราบมานานตั้งแต่เรารับการคัดค้านต้านทานเราที่เราจะเอาเองินเข้าถือขังหลวงไม่ยอมให้เข้าไปเนี่ยซัดกันตรงนี้รรกับรัฐบาล นี่แะตรงนี้เรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้รัฐบาลกับเราเหมือนเขาตั้งเป็นขาศึกันเราไม่เป็นข้าศึกกับใครเราเราทําประโยชน์ให้โลกล้วนๆที่ออกมาเนี่ยมาช่วยประโยชน์เพื่อเพื่อโลกล้วนๆอะไรที่มาขัดกับประโยชน์ของโลกข้ามกับความเสี่ยหายด้วยกิจามมาก็ปัดออกปัดออกแล้วออกเป็นธรรมราของคนรักษาตัวใช่ไหมนั่น แล้วสิงได้คือบายให้ฟังหมดแล้วพี่น้องหลาไม่ควรสงสัยบอกว่าธรรมต้องเป็นธรรมเราพูดจริงๆที่เรานําพี่น้องทั้งหลายเรือเปิดถึงหัวใจเรามานํานะพิจารณาไต่ตรองทุกอย่างโดยอัดโดยทำแล้วคุ่งพุ่งตรมนั่นเลยเราไม่ไปหาใครมาเป็นข้อปรึกษาป่าหรอว่านั่นถูกหรือไม่ซ่องพิจารณาเลือกพุ่งเลยพุ่งเลยเพราะฉั้นอันใดที่มาขัดเข้าในด้านธรรมะที่เดินไปแล้วด้วยความถูกต้องนี่จะปัดกันทันทีทันทีเช่นจัง ที่โต้ตอบกันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเข้ามาขวางในทำเป็นความถูกต้องสงบบ้านสงบร่มเย็นและความมั่นคงของบ้านเมืองมันจะมาทํำลายอันนี้เองแล้วต้องปัดออกคัดออกเข้าใจไหมบ้านเรนี่แหละที่ว่าคัดค้าไอ้เรื่องคนคู่ต่อสู้มันก็เป็นธรรมดาตั้มวยขึ้นต่อยกันเราเขาต่อยมันนี่เขาก็สวมนามัดนั่นเป็นธรรมดา เราก็ปฏิบัติรักษาทา่าบ้านเมืองเราเขาก็ต่อยมาหลองจากว่าเ ร, เเรายุ่งกับการบ้านเมืองอะไรเขาก็ว่ามันก็มีเรียกว่ามัดเขาต่อยมาแต่ที่ถาเราลบมัดเราไม่ได้การเมืองกันมาการหมาต่างหากเราว่าอย่างนั้นมันก็นแก้กันตรงนั้นเข้าใจไหมถ้าเป็นการเมืองมายุ่งกันการเมืองมารู้ประเทศชาติบ้านเมืองใครจะรู้นักการเมืองเท่านั้นเป็นผู้นำของชาติตลอดมาใช่ไหมนี่มันนักอะไรเนี่ยฟังที่หนาเกิดความเดือดร้อน จนกระทั่งถึงบ้านเมืองไทยของเราทั้งประเทศที่จะล่มจมเพราะอันนี้นั่นทำไมจะจะไม่ให้คท่านต้านทางกันเจ้าของสมบัติมีนี่นะเข้าใจเหรือคนทั้งประเทศถึงเจ้าของสมบัติทำคราบหมดแล้วเราเป็นหัวหน้าอย่างทํำด้วยเป็นผู้นําประเทศชาติค่าวนี้นําก็จะเอาเงินจากพี่น้องชาวไทยเข้าหมุนประเทศไทยของเราแล้วมาติดกันนอกจากนั้นจะเข้ามาทําลายต่อหน้าต่อตาเรานี่ไอ้พวกคนทั้งประเทศหาเงินมาแทบเป็นรับาย คนสอง้อคนขึ้นมาเกืนต่อหน้าต่อต า, ตาดูหลงแต่โบทอนกระดาษนกฟาดปากเลยทันทีเข้าใจไหมหืมอย่ายุ่งเนี่ยีย่ว่าพูดค่อนนเข้าใจไหมพูดครอนนแต่ฝ่า ม, มือฟาดปากแล้วเ <laughs> ข้าใจไหมนะเนี่ยอืมจนฝ่ามือเนี่ยฟาดปากแล้วแล้วใครจพูดทีหลังอย่ายุ่งอย่างั้นเข้าใจ <laughs> อหมหือเราทําทุกอย่างเราไม่ได้สงสัยในธรรม ว่าจะพาพี่น้องทั้งหลายให้ล้มจมนี้เราไม่มีในหัวใจเราพริจารณาไปมิ่งก็ไม่มีที่ทางเดินของธรรมที่พาเก้าเดิอนอยู่เวลานี้เราไม่มีระบอกโกงเลยเพราะงั้เอาให้ฟังเสียงธรรมไปแล้วกันนาะนี่ประการหนึ่งแต่นั่นก็ย้อนกลับมาเอาให้ฟังเชิงหัวหน้านะเราบอกหัวหน้าก็คือนําคําออกมาแล้วออกมาแล้วกงแนวกองแนวเราจึงไม่หาปรึกษาหะลือกับไทยเลยเป็นเรื่องของธรรมเอ๋อรล้วนที่เรานำไป แร่เทศไทยเขานี้เราไ่ไยปรึกษาตัวโลกผู้บริการงานเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ไหนเราไม่ไปปรึกษาเลยเราเอาทําออกก้าวเดินก้าวเดินแล้วให้พิจาราตามนี้ตามนี้ให้เดินตามนี้ตามนี้แล้วก็อธิบายมาเรย น, นี่คือแถวของธรรมเข้าใจไหมเราไม่ปรึกษ า, ากใครจริงๆเราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้ว เมื่อหัวใจหัวเรากลับทําไปรันเดียวกันพุ่งพุ่งตรงไหนเราก็เรียกว่าเบิกออกเบิกออกภาพไปตามมียแลปลอดภัยปลอดภัยเพราะงั้นเราต้งชี้ขาดว่าต้องเด็ดบอกนี้เลยนะสรุปความเราแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดอันแล้วจมแล้วบอกว่าถ้าเด็ดแล้วรอดมีสองอย่างเอาไปพิจารณานี่เป็นอุบายแล้วใช่ไหมล่ะคือเด็ดให้เด็ดตามทำฟังเสียงทำฟังเสียงหัวหน้าถ้าเอียองคนนั้นจะเอาคนนี้ไม่เอาจมเข้าใจหรือเปล่า นี่จบนะแน่ไม่สงสัยอือเข้าใจกันเลย <c oughs> เวลาขึ้นเวทีอย่างนั้นลนะคึกคักเลยทันทีเข้าใจไหมพอลงจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเหมือนรักมวยเขาพอขึ้นเวทีแล้วฟาดกันฝังฝังพอลงมาจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วให้พี่น้องชาวไทยเราให้อ่าให้ฟังเสียงบอกแล้วนะถ้าพลาดนี่ไม่ได้นะบอกคงแล้ว เราก็มีจะบอกนะว่ากรราของสัตว์เท่านั้นนะเราได้สอนทุกแน่ทุ่งมูแล้วโดยการทุ่มเทกําลังความสามารถในอัตนในธรรมทั้งหลายเราทุ่มออมาเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วบอกเป็นสองข้างนี้แล้วเราบอกแล้วนะใช่ไหมล่ะข้างหนึ่งฟัดกับกิเลสตามเรื่องอัานเรื่องธรรมกิเลสขาดสะบัดลงไปนี่เห็นผลขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็เอาธรรมนี้มายกพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะเราบอกถ้าเอาผิดพลาดจากนี้แล้วกรราของสัตว์นะเราก็ว่าน เราเป็นแต่ผู้แนะนําสั่งสอนที่จะให้ไปทําหน้าที่การงานเมืองชาติประชาชนไม่ใช่เรื่องของพระใช่ไหมละ่ะ<ม>เรื่องของพระเป็นตือให้อุบายแนะนําสั่งสอนอันไรที่ผิดที่ถูกบอกว่าผิดบอกว่าถูกในลำดับเดินตามนั้นภาณันเองส่วนหน้าที่การงานอะไรที่จะเป็นไปเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของประชาชนให้มอบให้เป็นเรื่องของประชาชนไปแล้วก็มีเท่านั้นน ะ, ะขออ้ออให้จริงไม่จริงไม่ได้ไหมบอกแล้วอืม มันจะไปเส็นมันยามากี่หมื่นกี่แสนยกโคตรยกแท่มาเซ็นก็ตามคนไทยเราทุกคนมีโคตรมีแท้ทุกันยกโคตแท้ฟาดกันเลยเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพวกเนี้ยอ่เขามีโคตรมีแท้เราก็มีโคตมีแท้ดีวะอ่าเข้าใจเราหรอเปล่ามันต้องอย่างนั้นอย่างเรียกว่าลูกศิษย์มีครูอ่ะวอนี่เขายกโคตรยกแท่มาเราไม่มีโคตไม่แท้เกิดมาจากไครนั่นมันเกิดมาจากโคอย่างแท้เมื่อต่โคนต่ไมมีโคตไม่แท้ฟัดกันเลย ใจพูดเวลาเล่นไปเล่นเวลาจริงก็จริงแต่ทำแทรกอยู่ในนั่นนะเข้าใจไหมไม่ได้พูดแบบโลกเห็นจะเป็นยีราของโลกก็ตามทำจะแทรกตลอดไปเลยจะไปเซ็นอะไรมากก็ตามสิ่งวันนี้เป็นภัยของชาติถ้าจะยอมรับมาได้เขานั้นผอเข้าใจไหมหอหอยอกทับจกันเลยจะไปเซ็นไหนเอาอะไรมาอ้างก็ตามอ้างเพื่อจะ เอาชาติให้ล่มจมนี้ไม่มีใครจะยอมรับชาตินี้ไม่ใช่ชาติล่มจมชาติบำรุงรักษาก็ะัางนั้นมีความรับผิดชอบเป็นสิทธิเต็มเนื้อเต็มตัวด้วยกันทุกคนในคนไทยหงสองล้านคนมีสิทธิเป็นเจ้าของด้วยกันในสมบัติเหล่านี้เนะเช่นคทางหลวงเป็นต้นเราต้องมีเข้มงวดกวดขันมีการรักษามีการ ต, ต่อต้านกันไม่งั้นไม่ได้นะจมแน่ๆห่อเอามาเป็นประมาณอะไรเข็มเล่มหนึ่งมันแทงเข้าไปในข้าวของเราเนี่ย มันเพียงเล่มเยียวเท่านั้นถ้าไม่รีบถอนหรือไม่รีบกันไว้แล้วเท้าเสียเน่าเฟ่เสียขนตายได้นะเข้าใจไหมอันนี้ถ้าสึกไม่ต้องมากล่ะเช่นนี่เคลียร์ลูกเดียวในหมดเมืองไทยเราใช่ไหมล่ะเราต้องท่านทานประกาศล่าเนี่เสียนิวเคลียร์นั้นเอามาใช้เพื่อพินาศก็ยังได้เราใช้เพื่อเป็นความส่งโสูงของวันเมืองจ่ามีเคลียร์นี้มันไม่ได้หรือปัญญามีแต่จะทำลายอย่างเดียวหรือ จะทําให้เป็นความร่วงโรยถูกร่รงเยนแต่บ้านบองไม่ได้หรือก็ต้องแก้กันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนั่นนิวุทธ์ียนนิยุทธ์อนอะไรมันมันก็มีทั้งโทษและมีทั้งคุณแก้ไมาเป็นคุณเป็นทำไมไม่ได้ใครจะหลานี้กับมนุษย์เราเนาะเข้าใจในชาลันที่จะทำลายแต่ใช่ไม่ได้อพูดแปลกๆเรี่ยไรล่ะการุณาครับว่าจริงๆแล้วที่มานะครับที่ทําให้ประเทศมา โอ้ยเราไม่อยากบินใช้ไม่มากแล้วเราเราไม่อยากวินใช้ไม่มากนะคือมันดูหมดแล้วเนี่ยว่างกงนี่เลยนะเพราะมันรูมมาหมดทุกแง่ทุกมุมเนี่ยเราจะมาฟังแต่แง่เนี้ยนิดๆเพราะฉะนั้นลากใหญ่มันรูมหมดแล้วคผมพูดนอย่างนี้เขาใจอเนี่ยไหนเราปาดหัวมันออกไปเลยยามายุ่งเนาะพวกปพวกขีนี่ว่าเมืองไทยเราไม่เปรขีมันก็มีแต่ก่อน ในวงราชการงานเมือ ง, งต่างๆมันก็มีกินเล็กกินน้อยกินไปกินมาไม่มากนะบ้านเมืองของเราก็เหมือนไม่มีหูมีตาหูหนวกตกา บ, บอดด้วยความสงบร่มเย็นเรื่อยๆไปประหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงมันรู้เต็มเหนี่ยว แตไม่ที่เวลามันจะโยกเอาหมุดทั้งประเทศไทยไปจมนี่โอ้นี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะมันก็ขึ้นทันทีใช่ไหมล่ะเนี่ยมันเวลามันจะเล่ากันเข้าใจไหมนี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะวัางั้นมันก็นรอบกันทันทีเข้าใจไหมเราจะมาเอาิงจริงมันจะเอาใหญ่เนะีเข้าใจแล้วมีอะไรอีกล่ะเมื่อวานก็ไปยืน่นหนังสือแล้วเจ้าค่ะเมื่อวานไปยื่นหนังสือกับเขาเรียกเลขาที่การ วุฒิสมาชิกวุฒิสภาเดียค่ะเพื่อจะให้ประธานสมาชิกวุฒิสภาเดียวค่ะว่าที่รัฐมนตรีนายกอะไรอะไรอะไรมีอะไรก็ว่ากันไปเถอะเรื่องนี้หลงตาไม่ค่อขอรากฟังละยุยงื่อง ขอประชาชนผู้รักชาติเจ้าค่ะนั่นแหละรักชาติแต่รักกันไปเยอะมาเยอะมายุ่งให้เรารักชาติเราจนอกกั๊แตกกต่พอรักประชาชนตับโลกประเด็นเข้าใจหรือเปล่ายังจะมาขอให้เราไปรักชาติหรือเดี้ยวตีปากไม่ยว่งบอกรึเปลาโงกันดีเลยนะ มีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะ่ะที่ต่อไปนีก็ให้พรถ้าม่มีอะไรก็ให้พอท่านยังมีปากออามาอยูยังจะปาดได้อยู่นั่นนี่น่ะเอ้าเอามาเออเอาเขามานั่งมาแล้วเออทาพี่น้องเทาเราหลองตาขอจมเธอย อ, อย่างสุดหัใจนะเออขาวที่านี้เป็นข้าวที่หลวงตาประกาศล่านมาเลยประมาณ เดือนนี่แหละแล้วจวนๆเขามาวิ่งประกาศหนักเข้าหนักข้าวว่าพี่น้องชาวอุดรเราเอาให้เต็มเหนีนะ่ยวหน้าข่าวนี้ว่าหลวงตาบัวเป็นพี่น้องชาวอุดรเรานำพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศย้อนเข้ามามายกฐานนาคูดอนซึ่งเป็นเมืองเกิดหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำนะคราวนี้ต้องเอาให้เต็มเหนีย่ยวแล้วนี่ก็ได้เต็มเหนี่ยวแล้วทองคําทั้งหมดเมื่อวันงานวัาทุ่งศีเมืองได้16กิโล นะไอ้ส่วนดอลล่าได้ 9, 9, ไเก้าเพันเท่าไหร่เกือบหมื่นเงินนั่นแหละเลยเก้าพันหกร้อยสี่สแล้วเงินบาทได้6กหกล้านสี่แสนส่หมื่นแหรืนี่ละแล้วดูว่าเป็นที่พอใจหลวงตะบวงยิ่งอยากว่าที่แรกไปจะไปในงานทุ่งสีเมืองนี่นะตามที่ประกาศวันนั้น หน้าหนึ่งจะไปด้อมๆอมดูถ้าไมเป็นท่าแล้วจะกลับหลังหน้าหน้าที่สองหันหลังหันหลังที่จะที่จะเห่นอยู่แล้วข้อเก้าก็ไปเห็นตั้งแต่ทองคงทองคาำยอนลากเต็มมาทุ่งทีเมืองที่เราเลยอยากได้สิบหน้าดูก็ทั้งนี้หมดเลยพอใจแล้วกว่ามีสองหน้าหน้าหนึ่งจะไปดูหน้าหนึ่งจะเห็นคราวนี้อยากได้สิบหน้าดูหมดเลยพอใจอาราสมภูมิ สมความตั้งใจพี่น้องชาวไทยและสมเหตุผลกับหลวงตะบัวเป็นพี่น้องอ่าซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยแล้วมันนำชาวดอนเราก็สมศักดิ์ศรีดีงานทุกอย่างยิงขอขอบคุณทรกนามาทั่วหน้ากันนะ หนึ on oh. ite, ่ก yeah. ิโลครับผมหนกิโลนี่ก็หนึงกิโลมยากจะอยู่มันก็กระทั่งถึงวันตายไม่ไม่ถึงวันตายเราไม่ตายมันต้องเด็ดแตเด็กันยี่แต่นั่นก็อยากให้เราอยู่นานๆเราก็จะอยู่ถึงวันตายเลยเชว่อว่า มันกวนก็ได้เลยนะนเยอะนันมาะ่ทองคำตังอนะกิโลครับตั้ง1กิโลมันเ่ันนี้ตั้งข้าวแล้ว1กิโลนะมันใเล่นะได้มาเรืยเนี่ยมาพี่น้องเราเอารวมกันเอออาจารย์เะร อย่างที่สอนี่นะให้ฟังเสียงหัวหน้าให้เท้แข็งนะให้บอกแล้วเท้าเดินมีชนีบ่อยนะถ้าดจะไม่ได้น้เก็บอกทางเดินของเราเนี่ยให้ฟังเสียงทำหัวหน้าลงไปเลยอ่อนยุ้งแข็งให้เดินตามนั้นเลยทำมาอ่อนแล้วไม่อยากทำทำ่าแข็งแตงชื่อเหรอใช่เป็นทำถึงขนา เอาให้เต็มเนื้ยทุกคนยานอนใจนะยาคุ้นกับตรงกรรมานยาคุ้นกับมหาไผ่ยาเป็นใจมหาไผ่นี่คือตัวไข่แล้วทราบกันทั่วประเทศไทยเราแล้วเวลาเนี้เข้าใจหรือเปล่าอันนี้จับไว้ดีมันเป็นเนื้อร้าแล้วหนูเรียกว่าเนื้อร้าแล้วต้องตัดออกเท่านั้นเอาไว้ไม่ได้เนื่อง าเอออาเขาโอ้เยอะนะดีแล้ววันนี้เดีมาคำตั้นะดูชิ้นจะหัดทนเถอะเออคแกทิหมดเนใก็อยู่่่เข้าเข้าัชเป็นสสชนบุรีเาเป็นสสชบุรี่อืมไปดูแลแล้วเขาเป็นอดีตเค่ะอดีตสสชบุรีแล้วเ็เขาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูก็เก่งเรื่องกฎหมายรัฐมนูลเจ้าค่ะเขาเป็นบรรดาที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเจ้าะ หัวเงือกหัวเงือกนี้ก็ส่งส่งไปเข้าบัญชีไปแล้วอถิครับผมงแน้าบาทครับเข้าบัญชีกรถินแล้วครับผมระถิ่นแอปบัญชีก็ถึงนมีมีแอปอ้นีแล้วนี่อเข้าแล้วเพราะบัญชีก็ถึงแล้วออกอะไรแล้วนะบัญชีสาหรับรับกรถึงกถึงนี่เราจะให้เป็นกะถึงทองค เราจะม้วนกันนี่ซื้อทองคาจึงต้องมีบัญชีต่กประเทศันตาเพราะเราติดใจเราหวงทองคามากเพราะเอาแบบชไหนก็ยิงก็มาทองคำจนได้จนได้อ๋ออืมอเดี๋ยวให้นล่ารขอพรวก็จะีสาวเออเออแล้วจะให้พรข้อหน้ากันนะให้พรข้มหน้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ารข้ามหน้ากันนะ จะได้เอาขมาถวายเอาใจฟานเอาเอาอใบบัวพะอนีบใบนไหมยแยกัเลยออคาทองสบาทแล้วเกินสพดอลลาร์ดเอนั่นเห็นเฮ้ยแ่หเนี่ยจากจเข้าทาหลวงเราทงนั้นทางนั้นมะโยเราหัวใจเราพูดจริงๆนะหัวใจเราอยู่ทางหลวงคืออยู่ทองคาเป็นรดับหนึ่งดอลลา อันดับสองเงินไทยนี่เพื่อชาติไทยของเราด้วยนี่ยังกลายเป็นอันดับสามไปนะคืงหัวใจของชาติเราเองก็คือทองคําดอลลาร์ู่จะหมุนไปภายรนเพื่อกระจายให้ชาติไทยเรามีความแน่หนามันคงสุ่มเยอนเป็นที่ใจของคนของชาวโลกได้บางอันเถอะวุฒิมนี้แลว่าเราคิดหมดผมบอกให้นะส่วนเงินไทยของเราที่จะหมุนอย่างนี้เราพอพออยู่พอสิ้นพอเป็นพอจิ้มน้ําตาลงไปก็ไม่เป็นไรละ ขอให้หลักใจของเราคงเชืนอมคงวาเข้าใจไหมเราเอาเท่านั้นเพราะนั้นเงินหมุนยัเราจะไม่ใคร่พูดถึงนะจะหมุนตื้อเข้าไปหาแจวพวกดราดดราชทองคำเพื่อเข้าถู่คําหลังของเราส่วนเงินมุนยันคือเงินสดนี่เราประกาศแจกโต้นแล้วใช่ไหมล่ะเราจะไม่เข้าคําหลวงเงินนี้เราจะออกให้เป็นเงินหมุนยันนี่เวลามันไม่ไม่สมกิบตราของเราที่เราที่เบื้องต้นนั่น คือเองินนี้เราคิดว่าจะเอาเองเิ น, นเป็นก้อนหนึก้อนจังหวัดไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศใครเรามีคนจะไปนมานกน้อไถึงไรเราจะยกเงินก้อนนี้เป็นมอบให้จังหวัด น, นั้นแต่เวลามอบไปแล้วผู้มารับมอบเป็นคนประเภทใดนี่เราไม่แน่ใจนะ <c oughs> เขาประกาศตนเขาว่าเป็นผู้โดยสุดเอาไปแล้วเข้าไปถึงก็ได้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเราด้านเราถึงคักเหมือนก้อนเมื่อว้แล้วที่อยู่ในนี้ส่วนที่กำหนดตาตัวแล้วว่าแปลก แต่ไล่ล่าเนี่ยเราจะซื้อทองคําเข้าสู่กองหลงทั้งหมดเวลาดูอย่างเดียวอยู่ห้าสอ็ล้านนั้นเราไว้เผื่อความจําเป็นที่ชาติไทยขอเรามีควเป็นรเราจะออกถ้ามันจะเปิดเราจะไม่ออกนี่นะนเราจะหมุนเข้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพราฉนั้นเราเงินที่ว่าหมุเพื่อชาติไทยโอเคเงินหมุนอย่างนี้จึงไม่มีข้อหนักนะั้มากยิ่งกว่าหัวใจของชาติเราคือทองคํำและดอลล่าร์แล้วจุดเออารก็ ทองคำไปอ่ะก็ทองคำแล้วเอานี่จุดนี่เป็นจุดใจอืมขอให้ อ, อันนี้เป็นหลักใหญ่มีอเป็นเครื่องประกานชาติไทยเอาไว้เราเป็นชื่อพอใจนี่แหละอธิษฐานพรนะอยะถามวาดิวะหาปุราปริปุเรมติสาคัง เอวะเมวะิโตถิงนางเปตานางอุปะกับปติอิขิตังปติตังตุมหังชิปตเมวสุมิจตุสัพเพปุเรนตสังกปาจานโชพนารโสยถามิโชติระโสยถาสัพพิสตโยวิวาชานตูสาภะโรโคยินาสตุมาเตภวตมันตรายโย ถูกเสียเทายุโกภวะอภิวาธนศีลสมนิจังวุธาปชายินโนจ ต, ตารโยธรรมาวาทานเตอายุวันโนโซขาภาละ ไหนล่อาจารย์ล <c oughs> ne. ัคนาใ่แล้วเนี่ยมาเล่ารางวัลฟังกดีนะทุกผู้กันเนี่ยให้เด็กนะเข้าใจไหมให้รีบพร้อมเตรียมพัดนุกำลังเข้าใจไหมเอาให้รีบเร่งพันตานนะเข้าใจหรืออาทีบรรดาเขาบรรดามาพ่อแม่ตัวขงเาเพื่อจะร่วม เข้าสู่คหลวงเรานั้นคือมาอธิบายวิธีการขงมหาภัยเข้าใจหมเราอยากพุ่งตะวันจะรังขาดตับกับทันทีนะเราขันดุกําลังเราให้รวดเลยเข้าใจไหมทุกมทุกหเราช่วยกันขันดุกําลังพัดตึงทั้่นัไปได้ไปรอดถ้าเตือนไมาได้นะบอกแล้วนะเอาละเอาป บาทครับบาทนีครับแปดบาทเลยนะแปดบาทจะไหนไมคไเอน้าครับนี้เป็นวันมาว่ามามามาาาามาาามามามาามามามมมา ร่านี่คิดถึงพ่ว่าก็ราก็ไม่ทราบได้ได้เยอะมาหลายคนนวันนี้เนาะมาเรื่อยๆเนาะเอาวางลงเอาวางลงเอารวมเลยเฮ้ยเอาวางลงอะไรนะครคุณทิชชูนอก วันพุนิฉันกานนอกแล้วพูดว่าเขาจะนำคณะขลิการมากราบลงตาประมาณเก้าโมงเช้าก็ต้องใช้ร่างไงวันพุน้ฉันกันนอกออวันพุน้ฉันกันนอกนะวันพุนิฉันกันนอกนอกวัดนี่หน้าวัดขันหน้าวัดวันพุนิชชูดงขวัดท่านทนงดเป็นกรณีพิเศษไม่มีชุดงพระท่านงดชุดงวันพุนิ้นะ แล้วรวมกันฉันที่หน้าหน้าวัดเราละและอะไรอีกผว่ากับจะเป็นหัวหน้าคณะนาข่าราการมากราบหลวงตาละเก้ามงที่ข้างนอกนั่นแหละครับเก้ามงครับประมาณ9้ามงที่หลังจาหลวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าขออนุญาตจตอนประมาณเก้ามงอืก็พอดีว่ะแต่ผมรู้กว่านั่นการที่เคยมาอาจจคยเคยมาเคยมาที่ผเออ Uh, เอาละ่นั Naj ้นะอ่น้เ่าไ right. uh, ห้วน่นเป็นะไรหรูนะว่าผาผ่เลดเะไเป็นมะเร็งที่เ้าลกครับแล้วตัดกได้ไัดนแดงครับ แม่มันแท้งนะเดี๋ยวี่ฝากมันจะไหวห้าร้อยเนอะเออเเออเดี๋ยวเมื่อไหร่ล้วสุดหมูอยู่ที่บ้านหรอเนอที่บ้านนะที่บ้านอย่างรงพยาบาลทุวันเนี่ยยาเสพติดใค่อยม่นีใครดูแลอยู่นั่นนะมีใครมาเล้ยดูแอยู่ที่บ้านพอพอพอดีอยู่แล้นีี่คนดูแลเลยก็มีสบายอยู่นิดนึ่งทั้งหมดสามคนครับเพรเออไม่เป็นไรอะเราเป็นห่วงมาก นี่นี้เงินเงินเบาามร้อาบาทมาจับในตู้ที่สววใทนทำนะหลังจากนี้อมพกับแล้วผมไปเปิดตู้แล้วนับแล้วเอาไปชื่อแล้ได้เงินมาด่วนแล้วก็มีแบบนี้สานชาย ของน้องสาวครับน้องสาวลูกของน้าเขาเป็นผู้ในการอยู่โรงยาบาลนอูนะเนหอผูการนี้ไหนนกอูครับนักอูนจัันครับอ๋อนกอูนักอูเข้าใจวอยากจะมาขอความเมตตาขออะไรบางอย่างเอออะไระอบให้พระเอาไว้นะร้อยพระเอาไว้สักอ่านแล้วก็จะมาหาเราอีกทีหนึ่ง มาให้เราจิงเอาเอาไว้นี่คือรายการต่างๆที่องค์การขอมามากต่อมากาเราให้เป็นระยะระยะระยะระยะไปนะนอกจากรายงานที่จําเปน็นจริงๆก็ให้ตัดสินเป็นกรณีพิเศษให้ถ้านธรรมดาแล้วก็ค่อยเรียงลาดับลาดับช่วยลำตีอย่างนั้นเขามากต่วมากลงม่ได้นี่นนแหละที่ว่า เ, เงินหมุนเียนหมุนยันเรไปอย่างนี้แหละเข้าใจหรือเปล่าล่ะ เ, เงินที่ว่าเงินหมุนยันเพื่อประเทศไทยเราคืออย่างนี้ละ มุนไปตามโรงร่ำโรงเรียนสถานทน่องเที่ที่ราชการโรงพยาบาลคนทุกค น, น ต, าตามความจําเป็นที่จะช่วยเหลือแบบไหนเราจะเอาเงินอันนี้ที่ว่าไม่เข้าค้างหลวงเนี่ยออกชั้วที่น้องชาวไท ย, ยการุณาทราบตานี้จะเข้าในส่วนส่ว น, วนมากแล้ถ้าเข้าในโครงการแล้วเราจะสงวนไว้เป็นพิเศษพิเศ ษ, ษ, ษไม่จําเป็นที่เราไม่ถอนทั้งๆ ท, ท, ที่เราถอนได้วางอันเถอะนะแต่เราหนักทางทองคำ ของอันหลเมือ่อเราเข้าเข้าในโครงการนี้แล้วไม่จําเป็นจริงก็ไม่เป็นแต่เราจะเอาเงินชดอื่นออกช่วยช่วยช่วยนอกจากจําเป็นเทาเราก็พูนกั่น้องชาวไทยทราบแล้วนะทราบช่วยถึงกันแล้วในโครงการก็ดีที่ไอโครงการเป็นพื้นฐานเราก็ดีทั้งสองอย่างนี้ออกช่วยชาติไทยของเราทั้งนั้นเป็นแตเพียงเราไม่บอกว่าโครงการที่เราช่วยมาตลอดนั้นเป็นโครงการทาเท่านั้นเอง อยู่บัญชีนี่บัญชีช่วยชาติหลังไม่ได้บอกโครงการมี่ในโครงการนั่นของนั่นเองเวลานี่โครงการนั้นก็ค่อยคๆหมุนมาทั้งเพื่อออออันไหนที่เข้าอยู่นั้นเราก็ไม่แต่เพื่อเข้าสู่ทองคาทองคำอะไรอีกนั่นไม่เยะเยอะอ้าวอ่าวอ้าวเเนี่ยสนใจเอาเนี่ยสนใจ ขข อ, อันนี้เอาเมาใเอานี่ให้ตากินนเนี่ยเอาเนี่ให้พี่สาวเคยไแล้วให้น้องชายก ไ, ไ, ไม่ได้ทีรวิทิ์คัไม่เคยให้เลย แจกะเียว่าเอาปลาิญปลาดิญปลาดิเอาวไปรวไปรวไปรวไปรวมไปนะเดี๋ยวเอาเอาเลยเอาเยเอาไปทรยังเบ็่รับเดับเดับเอาไปรึยหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้แล้วเออตงนี้ก็มีหัวใจเลยว่าเข้ามาสัอย่าไปฟาดฝังหลังถ้าไม่ดูหัวใจก็ว่าอยู่นะอืมนะอ เอาทั้งน mm ี hmm. elle, elle, elle, elle, elle, elle. ้ก็มีหัวใจแตกได้เหมือนกันเอาไปเอาเอาอะไรอะเราชื่อว่าไงเราไม่ได้าชื่อโอ้ก็เห็นมันแคบเลยไม่รู้เป็นใครคือคนนี่เองนะใชอ เน้นไปในนี่กับตัวคนไม่เหมือนกันเนี่ะมันไม่รู้รดี๋ยวหมดล้วนะหมดยาวหมดยาวเอาลูเอา่เเอาเอานั่งชัดก่อนนี่เอิอย่เดี๋ยวนะเออเอาจ้ะนั่งแงอไ tv เราไม่เราไม่ค่อยอ่านละอ่านหนังสือใหญ่ออกท่านที่ทรเลาเาพูดวาันเราพูดกันถึงกันที่ตรับก็อย่างนั้นคือทำข้อไปหมดแล้วบอกับครอะไรมันหนีไปมันจะยุงไปมนจะยุบไปไปมันไปได้ทุกแนละไปหมามันไปได้ทุกแบบมานี่ แน่แน่แ่แน่่เด้อเ้อเ้ไอ้ก like ี้ไี้มันมักจะต่อยไปต่อยตู้ มาสู้กับมิ่ามาสู้รับมิล่ามาสู้กัาอู้ยไปไปไปไป้ไปล้โอ้ยเล่นกําหมาเว้ยไปไปไปไปแล้วไปแลวเล่นกาหมาเล ว้าจงใจเหระผมนีไม่เอาไปลยไไไปนอนสบายสบถไม่อะไรมากมากนอนสบายนอนสบายแน่นี่ไอ้กี้อ่ะ มันได้ผ้าแล้วมันเอาผ้ากับเราโทษโทษไอ้ขี้ไอ้ขี้กับไอ้หมีนี่ดูแล้วน่าดูเหมือนกันนะไอ้หมีนี่ธรรมดาเขาจะจะมีท่าใหญ่ไปที่ไหนทำท่าเลยคู่เลยที่เวลากับไอ้จี้นี่เป็นอีกแบบหนึ่ง น, นะ เขามาเล่นกับไอ้จี้ไอ้จี้ฟาดอย่างน้าดเลยไล่กัดนะเขาหลบมัดไอ้จี้เจ็งนะอไอ้หมีเนี่ยกัดที่ใดไม่ถูกนะกัดบ้าๆหลบบ้าตัดบ้าหลบบ้าแล้วแล้วเไปไม่ถือศีลศีลศาอไอ้ไอ้หมีนี่ยไอ้ไอ้ตัวตัวเลี้ยงนี่ไล่กัดเลยเขาชฉยเลยหลบหลบัดได้แล้วก็ไปเอ้าวเขาท่านี่ไอ้หมีมันดีแบบนี้กับไอ้จี้ไม่ถือสาเลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวไล่กัดตัวนั้นเป็นตัวหลก หลบเสร็จแล้วก็ห น, นีไม่สู้กันนะเาขาก็รู้จักกันมาวนะ่าเวลาหนี่นะไปโอ้เหนื่อยแล้วนี่จะนั่งสามชั่วโมงกว่าแล้วมีนี่ยว่ามีเก้าโมงโอ้เหนต่อยกันแ้วนะ